50 languages. 31. Muwattundo. ที่ร้านอาหาร 3. Palahara Mandira Delhi, Muru. ดิฉันอยากได้ออเดอร์ฟค่ะนนเกววุนดูสตาร์เตอร์เบก ดิฉันอยากได้สลัดค่ะนานาเกะวุนดูโกซัมบาริเบกุดิฉันอยากได้ซุปค่ะนานาเกะวุนดูซุปเบกุดิฉันอยากได้ของหวานค่ะนานาเกะวุนดูซิฮิตินดีเบกุดิฉันอยากได้ไอศครีมใส่วิปครีมค่ะ นันเก๋ครีมจุตเก๋วันดูไอสครีมโคดีดิฉันอยากได้ผ ล, ลไม้หรือชีสค่ะนั่นเก๋ฮันนูหตวอชีสเบกุเราต้องการทานอาหารเชา้านาวูเบลกินตินดีตินนาเบกุเราต้องการทานอาหารกลางวัน นาวูมัธยันนาดวูตามาดุเตเวเราต้องการทานอาหารเย็นนาวูราตริวูตามาดุเตเวอาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ่ะนิวูเบลากินตินดีเยเย็นนันนตินนัลลูวยสุดทีริขนมปังกับแยมและน้ำพึ่งไหมคะ ฮันนีนาาามัตูเจนตุปดเนโรลส์ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะซาเซจมัดตูชีสจเตเกตโทสต์ไข่ลวกไหมคะวุนดูเบสิดามอตเตไข่าดาวไหมคะวุนดูคาริดามอตเตออมเล็์ตไหมคะ วุอัมเบลตขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะดววิตยินนุุมอรนุกดีขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะเดี๋ยววิตูยินนุสวลปังอุปปุมตุกริเมนะสูกดีขอน้าเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะเดี๋ยววิตูยินนุวุนดูโลตานิรุกดี